ชีวิตอันนี้นะเกิดมาเพื่อต่อสู้ให้เข้าใจต่อสู้อะไรต่อสู้ในระหว่างเหตุกับผลอ่าเป็นอย่างนั้นเหตุกับผลนี่มันมาพร้อมกันมเมื่อเราทำเหตุอันใด ผลมันก็ปรากฏอันนั้นแต่มันปรากฏในจิตใจนะอันเรื่องภายนอกแล้วก็มันมันก็ไม่แน่นอนนะเพราะว่าผลของการกระทํานี่บางอย่างมันก็นานให้ผลบางอย่างมันก็ให้ผลเร็วอันนั้นเอายุติไม่ได้ ตอนที่มันให้ผลเร็วๆนั้นได้แก่ให้ผลทางจิตใจถ้าทำความชั่วลงไปอย่างนี้นะผลภายนอกนั้นยังไม่เกิดก็มีแต่ว่าผลภายในคือจิตใจของบุคคลผู้ทำชั่วนั้นย่อมมัวหมองอพื่อย่อมปรากฏขึ้นมาแหละ แต่เจ้าตัวไม่ค่อยรู้หรอกถ้ารู้แล้วมันก็ไม่ทำชั่วคนเราเนะ่ะรู้ว่าทำชั่วเราไว้แล้วโอ้จิต ม, มันมัวหมองเป็นทุกข์นไม่สุขใสเลยอย่างงี้ถ้ามันรู้ตัวได้อย่างนั้นมันก็มันก็งดเว้นความชั่วได้คนเรานะ่ะอ่าเป็นอย่างนั้นไม่ว่านักบวชด้วยว่าเครือขัดเหมือนกันหมดเลย ฉะนั้นทุกคนต้องให้สังเกตการกระทาของตนเสมอๆไปว่าตนทำอะไรลงไปแล้วจิตใจมันเป็นยังไงนี่เช่นอย่างยกตัวอย่างว่าอา้าวเราทำบุญวันเกิดหลวงปู่ที่ล่วงแล้วมาเนี่ยวันที่เจ็ดที่แปดมกราเนี่ย สองพันห้าร้อยสาสิบเจ็ดนี่นะการกระทานั้นคล้ายๆกับว่ามันจะไม่มีผลเพราะมันยาก ม, มันยากมันลำบากวุ่นวายนั่นนะเกี่ยวกับคนมากมแต่เมื่อบุคคลใดมีสมาธิจิตอยู่แล้ว ทำการงานอะไรลงไปก็ไม่ต้องวุ่นวายเดือดร้อนออนภายนอกนนมันนุนกระสังเพมันแต่ภายในจิตใจของเราจะไม่วุ่นมีสติธรรมสัญญาควบคุมจิตให้ตั้งมั่นเป็นปกติอยู่มีปัญญารู้เท่าสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นเฉพาะหน้า เห็นมีปัญญาเห็นว่ามันปรากฏเกิดขึ้นแต่ละอย่างแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วแต่ละอย่างก็ดับไปอยู่นั้นไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารอยู่ได้เอา้าถ้าไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารจะไปทําบุญไปทําไมบางคนก็อาจจะมีความเห็นแย่งเข้ามาอย่างนี้นะอืม มันไม่ใช่เราทำบุญเราจะเอาวัตถุต่างๆนั้นมาเป็นเป็นบุญกุศลไม่ใช่เราทำบุญเพื่อลดละกิเลสออกจากกิจใจต่างหากเพื่อลดละทิฐิมานะออกจากกิจใจลดละความเห็นผิดนะทิฐิมิตรสาทิฐิความเป็นผิด เช่นเห็นว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปอย่างนี้นะ เ, เราละมันแล้วความเห็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราจึงทำบุญนั่นนี่เพราะฉะนั้นการทำบุญอย่างว่านี่มันก็เป็นการละทิฐิความเห็นผิดออกไปเป็นการละมานะความถือร่างกายนี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขา ถ้าจะทำงานกรรมกากกรรมหลายก็กลัวร่างกายจะทรุดโทรมจะอายุสั้นอะไรต่ออะไรมันจะกลัวไปนะถ้ามันถือมั่นแล้วนะอันนี้เราไม่กลัวสละกำลังกายกำลังใจลงทำงานเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ส่วนรวมคิดได้อย่างนี้แล้วก็ลงมือทำไป นี่เรียวกว่าเป็นภูระมานะความถือตัวว่าตนจะเป็นอย่างนั่นตนจะเป็นอย่างนี้ไม่ถืออะไรเลยเมื่อมีกำลังพอทำได้ก็ทำลงไป อ, อย่างนี้แหละโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งกิจประจำวันของแม่ชีก็คือการทำครัว อันนี้แล้วมันก็ได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ผู้อื่นก็ได้ประโยชน์ตนตนก็ได้ประทังชีวิตไปแล้วก็ยังเฉลีย่ยให้ภิกษุสามเณรได้มีความสุขด้วยแล้วเฉลีย่ยถึงคนอื่นซึ่งมาเกี่ยวข้องกับวัฟ้าอารามเข้าไปอีก นี่ถ้าหากว่าไม่ละทิฏฐิมานะลงได้อย่างนี้มันก็ทำไม่ได้โดยนึกว่าเอา้าฉันก็รักษาสินศินแปดเป็นประจำฉันก็เป็นนักปวดผู้หนึ่งฉันก็อกพึ่งรหมจรรย์นนะเรื่องอะไรจะมาคุกคีโยกับม่อเข้าม่อแก้งอะไ ร, รต่างๆนานาหมู่นี้ บางคนคิดอย่างนั้นแล้วก็เลยไม่สนเลยก็มีเอาแต่ภาวนาจะความสุขส่วนตัวผู้คิดเห็นอย่างนั้นมันก็เรียกว่ามันไปแง่เดียวมันไม่มีหลายแง่ความคิดของคนเรามันต้องมีหลายแง่บ้างแต่ ความรู้จริงนะ่มีอันเดียวหรอกแต่อันเดียวนะั่นเราเอามาใช้หลายแงย่หลายอย่างความคิดนะั่นนะแต่ความจริงมีอันเดียวแต่เกี่ยวกับการงานในโลกนี่มันต้องมีหลายแงย่หลายมุมมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนังนั้นการกระทำนี่นะมันต้องได้ทำอยู่เนี่ย เกิดมาในโลกนี้นะไม่ทำชั่วเว้นชั่วมาได้ไดแล้วก็ทาดีแบบนี้นะทำดีไปจนถ้ามันเต็มบริบูรณ์นู่นมันจึงได้หยุดทำถ้าทำดียังไม่เต็มบริบูรณ์ดับใดก็ไม่ได้หยุดทำหรอกต้องได้ทำต่อไปอย่างนั้นแหละ คอยคิดดูให้ดีเหมือนอย่างพระพุทธเจ้านะันพระองค์ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์สร้างบา ร, รมียังไม่เต็มตราบใดพระองค์ก็สร้างมาอยู่ยนั้นนะชาติแล้วก็ชาติเล่าวางชาติก็ประสงค์อยากให้บา ร, รมีเต็มเร็วชาติหนึ่งเป็นพล ư สีเป็นดาบทเที่ยวไปในป่า ในข้างนั้นมันแรงฝนไม่ตกมนุษย์และสัตวก็อดอยากสัตว์ก็อดอาหารไปเห็นเสือไมู่กอ่อนตัวหนึ่งมันกำลังจะกินลูกของมันอยู่เพราะมันหิวมันไม่มีอาหารจะกินพระฤาษีไปเห็นแล้วก็สงสารลูกเสือเอออย่าให้ลูกเสือเนะี่ยมันตายเลย เราตายดีกว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเราไม่ได้ปรารถนาอะไรสละชีวิตนี้เพื่อแม่เสือเพื่อให้ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณในอนาคตตะการเบื้องหน้าพออธิษฐานใจนี้แล้วก็กระโจนออกแกะคุ้มไม้ให้แม่เสือมันเห็นเข้ามันก็ตะครุบออกไปกินเลย ลูกเสือเรานั้นก็เลยพ้นจากความตายอืมนี่แหละเพราะโพธิสัตว์นี่ใจเด็ดใจเดียวสร้างบารมีอยากจะให้บารมีมันเต็มเร็วๆขอทางไหนมันจะทำให้บารมีมันแก่กล้าก็เอาเลยเรื่องชีวิตนี่ไม่ห่วงใหญ่อะห่วงแต่สมมาสัมโพธิญาณนูน่น โดยส่วนเดียวเลยประเดียวว ะ, ะเออเราที่ไม่ได้ปาถนะเป็นพระพุทธเจ้านั่นเราก็ห่วงความบริสุทธิ์ของจิตใจสิแบบ น, นี้นะอืมทำยังไงจิตใจนี้จะบริสุทธิ์จากบาปจากโทษจากกิเลสก็เอาเข้าก็ทำความเพียรเข้าไปอันนี้ เราห่วงจิตดวงเดียวนี้ขอให้เข้าใจเพราะจิตตรงนี้ไปตกนรกก็จิตตรงนี้ขึ้นสวรรค์ไปพระนิพพานก็จิตดวงนี้วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้ก็จิตตรงนี้อาศัยกรรมดีกรรมชั่วที่ทำโดยกายวาจานั่นนําดวงจิตให้มากเกิดอีก ได้รูปได้กลายมาอีกอยู่อย่างนี้เออผู้ใดมีปัญญาเกิดมาแล้วก็มาสร้างบุญบา ร, รมีทําความดีไปบุญกุศลมันก็ย่อมมากขึ้นผู้ขาดปัญญาแล้วก็เอาไปหาทําความชั่วความดีไม่ทําอย่างนี้มันก็บุญบา ร, รมีก็แเ ก, กล้ามไม่ได้ เป็นอย่างว่ามาบวชเข้ามาอย่างนี้ก็ดีนะบวชเข้าเป็นพระเป็นเนรเข้ามาแล้วมาพบกับความสุขไม่ได้ทำไรไถนาค้าขายไม่ได้ทำการงานหนักหนาอะไรได้อยู่แต่ล่มแต่เงาไม่ได้ตากแดดก ร, รมผนอะไรอย่างนี้ก็เลยลืมตัว หรือว่าตนมีความสุขสบายและไม่อยากไหวพระไม่อยากนั่งสมาธิภาวนาไม่อยากเดินจงกรมไม่อยากทำข้อวัดปฏิบัติต่างๆเช่นนี้แล้วบวชเข้ามาแล้วแทนที่จะมาสะสมบุญบา ร, รมีให้มากขึ้นไปก็มากไม่ได้ผู้เป็นเช่นว่านี้นะแถมยังจะต้อง ได้ประสบกับบาปอีกซ้ำเขาเป็นสมณะนี่มีเพศอันอุดมชาวบ้านเขานับถือเลื่อมใสเขากราบเขาไหวเขาถวายปจัจจัยสี่เขาอำนวยความสะดวกให้ได้อยู่สบายนั่งนอนสบายขบฉันสบายอย่างนี้นะดังนั้นถ้านักบวชเรานี่เกียรติครานทำความเพีย สะสมกิเลสไหนาแน่นอยู่ในใจมากขึ้นอย่างนี้มันก็มีแต่บาปสิวั น, นี้นะบุญไม่ปรากฏต้องให้สังเกตดูฉะนั้นการที่เราบวชมาเนี่ยุญมันจะเจริญมากขึ้นได้ก็เพราะอาศัยการทำความเพียรทางกายทางจิตใจความเพียรทางกายก็ได้แก่การเดินจงกรมการนั่งสมาธิ การไหว้พระสวดมนต์ไม่เกียจคร้านอย่างนี้แล้วการทำความเพียรทางจิตใจการทำสมาธิทำใจสงบระงรับอันนี้ชื่อว่าเป็นการสั่งสมบุญทางใจบุญก็ย่อมเจริญขึ้นได้ ้ก า, ายวาจาทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ผิดทำผิดวินัยบุญก็เกิดจากการกระทาทางกายทางวาจาด้วยแล้วก็บุญเกิดจากการทําใจสงบเป็นสมาธิบุญเกิดจากการเจริญปัญญาให้รู้แจ้งธาตุสี่ขันห้าตามเป็นจริงอันหมนูนี้มันกระลุวนตั้งแต่เป็นการสั่งสมบุญทั้งนั้นเละ แต่บุญที่กระทําทางกายวาจาเนี่ยก็ะสงเคราะห์ลงที่จิตการทําบุญทางจิตก็ะสงเคราะห์เข้าจิตการทําจิตให้สงบเป็นหนึ่งนั่นแหละชื่อว่าการรวมการรวมอบุญกุศลเข้าใส่ไว้นี่บวชเข้ามาแนละ้วเรามีโอกาสเต็มที่นะมีโอกาสได้สะสมบุญกุศลเต็มที่เลยมนเป็นอย่างงั้น แต่นั่นอย่าให้พลาดจากการบำเพ็ญบุญกุศลแล้วผู้เข้ามาบวชสน่ากก็เป็นคนหนุ่มคนแน่นร่างกายก็ยังแข็งแรงดีเช่นนี้แนละ้วอย่าไปปล่อยให้ล่วงเลยเวลาวันคืนไปเปล่าๆจะรีบเร่งทาความดีเข้าไปฝึกตนเข้าไปอย่างที่ว่านี่แหละเวเห็นแก่ความหลับความนอนมาก ฉันแก็ความเกลียดครั้นนิดหน่อยเมื่อยล้านิดหน่อยก็อ้างเมื่อยไว้แล้วเนื่อยอะไอย่างนี้ไม่ดีแน่ให้พากันตั้งใจปฏิบัติตามที่แนะนำอย่าเป็นผู้ที่เลือกป่า ถอยหลังเข้าครองอเหมือนอย่างที่เขาจูงแมวผูกคอมาแล้วจูงมันไปในีแมวทานแทนที่มันจะเดินตามคนใหม่มีทางมีแต่มันจะถอยหลังเข้าไปเรื่อยๆอเบีงั้นไอ้คนเราก็อย่าให้เป็นเหมือนแมวนั้นเมื่อจูงกันแล้วต้องเดินตามกันไปเลย ปัจจัยเครื่องอาศัยอันใดก็ไม่ขัดข้องแล้วนั่นจีวรผ้านุ่งผ้าห่มกระไลก็สมบูรณ์อาหารมินเบากับพอประทังชีวิตไปได้วันหนึ่งคือหนึ่งเสนาสนาที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่เดือดร้อนแล้วหนี้นะอา้าเจ็บไข้ได้ป่วยลงรัฐบาลเขาก็เอื้อเฟื้อ ไปรักษาไปกรวดโรคโรงพยาบาลเขาก็ไม่เก็บเงินเก็บทองในวัดก็มียุบมียาถ้าไม่เหลือไปใสก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้เราได้ปฏิบัติฝึกตนนั้นมีพร้อมมูลแล้วนะเพราะฉะนั้นให้พากันเข้า อ, อกเข้าใจดังที่แนะนำนี้อยากอยาอยา คิดว่าจะไม่สนใจคําสอนที่แนะ น, นํานี้ถ้าผู้ใดไม่สนใจแล้วก็ช่วยไม่ได้พก็กันปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้านี่ไม่มีใครบังคับใครอ่สั่งคนต่างสมัครใจทมเองบังคับตัวเองเอาเองผู้เป็นประมุขเพื่อนก็เพียงแต่แนะนำสั่งสอนให้รุด โดยอุบายต่างๆผู้ฟังก็จำอุบายที่แนะนานี้แล้วก็ไปฝึกตนเข้าไปให้เต็มความสามารถอย่างนี้แหละอย่าทะเลาะวิวาทกันการทะเลาะวิวาทกันเป็นทางความเสื่อมอย่าปยกโทษกัน เ, เมื่อครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนอย่างนี้แล้ว เอาใครไม่ทำก็แล้วไปไม่ต้องไปว่ากันเขาไม่อยากได้บุญเขาก็ไม่ทำก็แล้วไปเราอยากได้บุญเราก็ทำเราอยากพ้นทุกเราก็ทำความดีไปไอ้อย่างนี้ดีกว่าถ้าเราเหลือวิสัยของเราเราก็ไม่ทำอันใดมันเหลือวิสัยแล้วนะถ้าอยู่ในวิสัยที่เราทำได้เราก็ทำไป เอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามีผู้ตักผู้เตือนอยู่แล้วนี้แต่เพื่อนผู้นั้นไม่สมัครใกจะทาอย่างนี้นะเอากลับแล้วไปแต่คนเราเนะ่ะไม่ทำอย่างหนึ่งมันก็ทำอย่างหนึ่งแหละไม่ทำเรื่องนี้ไม่ทำดีเรื่องนี้มันก็ไปทำดีเรื่องอื่นเรื่องหนึ่งมันต้องมีอยู่นั่นแหละ อือผู้หนึ่งได้อันหนึง่งผู้หนึ่งได้อย่างหนึ่งเข้าไปมันก็ค่อยเป็นไปอยู่นั่นแหละแต่จะให้มันสมอมเสมอกันทางหมดก็เห็นจะไม่ได้ถ้าได้ก็เป็นบุญโข ổ. แต่ความจริงนั่นะเมื่อเราอยู่ร่วมกันน่ะก็ขอให้ทำตนเป็นคนใจดวงเดียวกันเลย ได้เป็นอันดีเหมือนอย่างพระภิกษุแต่ขั้งวุฒิการนะจำพวกห้าร้อยจำพวกพันอะไรพวกนี้นะอันนั้นเพื่อนเป็นเพื่อนกันจริงๆเนะชวนกันออกบวชเลยก็บวชแล้วก็เรียนกรรมฐานกับพระรศาสดาเรียนกรรมฐานได้แล้วก็ชวนกัน ไปสู่ป่าไปทำความเพียรเจริญธรรมถาอภิษณะเหมันยังมีพระองค์หนึ่งไม่ได้ไปกับเพื่อนอยู่วัดวันนี้พระองค์นี้เพื่อนก็ไม่ค่อยทำความเพียรเท่าไหร่พระที่ไปสู่ป่านั้นตั้งใจทำความเพียรเข้าไปใ น, าในสุขพากันในสําเร็จอรหันหมด ทั้ง499รูปองค์ที่500นี่ก็ไม่ได้ไปกับเพื่อนเพื่อนเหล่านั้นกลับมาเดินทางมาเฝ้าพระศ า, ศาสดาผ่านหมู่บ้านหมู่หนึ่งชาวบ้านนั้นเกิดศรัทธาเลื่อมใสก็ข อ, อนิมนให้มารับพระตาหารที่บ้านของเขาในหมู่บ้านนั้น พระก็รับนิมนต์แล้วก็คงหมู่บ้านนค ง, งอยู่ไม่อยู่ไกลวัดเชตวันหรอกจะพากันไปพัดเชตวันไปเฝ้าพระศาสดาเสร็จแล้วส่วนภิกษุที่เป็นเพื่อนที่ไม่ได้ไปเจริญสมณะธรรมป่าด้วยกันได้ยินพระศาสดาชงสรรเสริญชมเชย ว่าพระเหล่านี้นะเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประ ม, มาทสามารถทำตนให้พ้นจากทุกได้พระองค์นั้นก็คิดว่าอืมท่านเหล่านั้นท่านเป็นผู้หลุดพ้นไปแล้วไอเราที่ยังไม่หลุดพ้นนะเอาลนะเราจะทำความเพียรให้สำเร็จในค่ำคืนวันนี้แหลนะตั้งใจเดินจงกรมเอา เหนื่อยเดินแล้วก็ น, นั่งสมาธิเหนื่อยนั่งสมาธิก็ออกไปเดินจงกรมจนตลอดคืนหัวลุ่งมันง่วงอนะเดินไปเดินมามนก็หลับในอ่ะหลับในมันก็เซไปลม้มลงทับกับไม้เข้าขาหักร้ อ, องกีดกาดเข้าไปพระที่เป็นเพื่อนกันได้ยินเข้าก็ พากันมารักษาพยาบาลจนสว่างมาแล้วพระเหล่านั้นก็ไม่ได้ไปรับสังฆทานกับชาวบ้านอ น, นั้นเสียเลยมัวแต่รักษาพยาบาลพระขาหาักองค์นั้นอย่างนี้พระศาสดาได้ทรงสรแสดงถึง อุัชาติทนหลังของพระเหล่านั้นกับภิกษุขาหาักรูปนั้นตนะั้งแต่อดีตการนู่นเป็นนักศึกษาด้วยกันทั้งห้าร้อยเออเป็นนักศึกษาสี่ร้อยเก้าสิบเก้าคนแต่องค์ที่ขาหาักนี่จะชาตินั้นเป็นไก่พวกนักศึกษาเอาไก่ผู้ตัวหนึ่งไปเลี้ยงไว้เพื่อให้มันขันยาม เมื่อเวลาได้ยินไก่ขันแล้วก็รีบลุกขึ้นมาท่องบนจดจำทิศาความรู้อบบ น, นี้ต่อมานี่ไก่ตัวนั้นน่ะไม่ขันตามเวลายังดึกอยู่ไก่น้องขันแล้วบังคืนนะพวกนักศึกษาลุกขึ้นมาท่องบนจดจำ มันก็ไม่สว่างให้กับง่วงนอนทนี่อันนี้บางทีนอนหลับไปจนจวนสว่างนู่นไก่ถึงค่อยขันพอลุกขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้ท่องบนจดจำอะไรเลยไอ้ก็เลยมาตกลงกันเอ๊ะไก่ตัวนี้มันทำให้พวกเราพลาดจากการงานของเราเราข้านมาปิ้งกินสดิกว่ามังวะนั่น ก็เลยตกลงฆ่าไก่ตัวนั้นมาปิ้งสู่กันกินไปเลยอดูเถิดเนี่าไก่ตัวนั้นเนี่ยยั ง, ยงติดตามมาจนมาได้มาเกิดในศาสนาวิเจ้าของเราเนี่ยร่วมกับพวกเหล่านั้นนะแต่แล้วในฐานะที่มันเกิยเพีนยงไก่นะก็บุญบรารมีมันก็ไม่ไม่แ ก, กล้า แต่นานมายัางไงก็พริกจากสัตว์แล้วก็ได้เกิดมาเป็นคนแต่บุญบา ร, รมีไม่แก่กาเหมือนอย่างผู้ที่เพื่อนเป็นคนติดต่อกันมานะนก็เลยไม่ได้สำเร็จมาก่อนแม้จะทำความเพียรเด็ดเตียวสักเท่าไรเท่าไรก็สำเร็จไม่ได้อะมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผู้เช่นนั้นนะ่ะเมื่อเห็นเขาได้ดีแล้วจึงมีกำลังใจ เพียงขมากขาเม่นเข้าไปอันนี้ตอนมีบุญน้อยนี่ทำอย่างไรมันก็สำเร็จไม่ได้มัะ น, นั้นนิทานเรื่องนี้่ึงว่าถือเอาใจความว่าการบวชปฏิบัตินี่นะก็อย่าให้เคร่งเกินไปแล้วก็อย่าให้หย่อนยานเกินไปให้ทาให้มันสม่ำเสมอไปอย่างนี้ มันจึงเป็นทางหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาได้ทําไม่สม่ำเสมอคือรักษาจิตตรงนี้ให้มันสม่มเสมอไปอย่างนี้นะ อ, อ่านั่นแหละรักษากายวาจาให้เป็นปกติอย่าให้มันพลิกแพงไปทางชั่วทางไม่ดีต่างๆานี่รักษาปกติของจิตนี่ไว้ปกติรู้ปกติเห็น ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่เที่ยงไม่ยังยืนอะไรไม่คนมายึดถือโดยความเสียใจดีใจรักษาจิตใจให้มีความรู้ความเห็นเป็นปกติอยู่เนี่ยนั่นแหละจะทำให้กุศลธรรมมันจเจริญขึ้นกลายเป็นอริยมรรคอริยผลต่อไป